เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีเด็กในโรงแรมเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอได้ไปพบเจอมาโดยเธอได้เล่าว่าเรื่องนี้ผ่านมาประมาณสามปีแล้วตอนนั้นฉันและพี่ที่ทำงานรวมกันเจ็ดคน เลยไปทํางานที่จังหวัดภูเก็ตและต้องไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งฉันนอนกับพี่ผู้หญิงอีกสองคนส่วนผู้ชายก็นอนด้วยกันสามคนที่ห้องด้านขวาหัวหน้าจะอยู่ห้องด้านซ้ายการทํางานผ่านไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งคืนที่หนึ่งของการพักผ่อนผ่านพ้นไปพวกเราทั้งหมด ก็ไปรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมแต่สีหน้าของพวกเขาดูหมองคล้ำอ่อนเพลียคล้ายคนอดนอนฉันจึงเข้าใจว่าพวกเขาคงแอบไปเที่ยวกลางคืนกันเป็นแน่จึงไม่ได้ถามไทยอะไรและพวกเขาก็ไม่พูดอะไรด้วยจากนั้นพวกเราก็ไปทำงานกัน จนกระทั่งใกล้จะเลิกงานพวกผู้ชายก็เริ่มมีอาการไม่อยากกลับไปที่พักทั้งที่ดูง่วงเหงาหาวนอนกันเป็นทิวแถวแท้ถามกันไปถามกันมาจนได้ความว่าพวกเขาเจอผีเด็กมาเล่นด้วยทั้งคืนเมื่อเอาผ้าห่มคลุมโปงผีเด็ก ก็ดึงผ้าห่มออกอยู่แบบนั้นแล้ววิ่งไปมาภายในห้องอย่างสนุกสนานทำให้พวกเขาต้องอยู่ในอาการหวาดผวาแต่ก็มีคนกล้า ก, กว่าเพื่อนพูดออกมาว่าไม่เล่นจะนอนแล้วเท่านั้นแหละผีเด็กก็เริ่มลามือและยอมให้พวกเขานอนแต่โดยดีพี่ๆบอกว่าไม่อยากเล่าให้ฟัง เพราะไม่อยากให้พวกเรากลัวกันเพราะห้องก็อยู่ติดกันแค่นี้เองน่าแปลกที่ห้องของฉันกลับไม่มีใครเจออะไรเลยแต่หัวหน้าที่นอนอยู่ห้องถัดไปนั้นกลับเจอเช่นเดียวกันอาจเป็นเพราะก่อนนอนฉันสวดมนต์แผ่เมตตาและขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่นั้นแล้วก็เป็นได้ เมื่อคิดได้ดังนั้นก็ได้แต่โล่งใจแต่แล้วในวันถัดมาฉันต้องเอาข้อมูลของงานลงเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ในห้องของผู้ชายฉันและพี่ๆที่ทำงานก็นั่งเล่นกันในห้องนั้นทุกคนนั่งทางด้านซ้ายมือของฉันกันหมดระหว่างที่ฉันนั่งเก็บข้อมูลอยู่นั้นก็รู้สึกเหมือนมีใคร เอาหน้ามาเกยไว้บนไหลทางด้านขวาจนรู้สึกเหมือนแก้มแทบจะชนกันจึงหันขวับไปดูเพราะคิดว่าพี่ๆคงจะแกลง้งแต่ปรากฏว่าทุกคนนั่งคุยกันอยู่ที่เดิมเมื่อฉันถามเขาเขาก็ทำหน้างงกันหมดและยืนยันว่าไม่ได้เดินมาทางนี้กันเลยเท่านั้นแหละ ฉันรีบเรียกพี่อีกคนมานั่งเป็นเพื่อนทันทีแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้ในวันรุ่งขึ้นทุกคนก็เจอเรื่องเดิมกันอีกจนเขาบอกว่าเริ่มชินกันแล้วคือจากกลัวจนเลิกกลัวแล้วเพราะเหนื่อยจากการทำงานกันมากวันนี้ฉันและพี่ที่อยู่ห้องเดียวกันอีกคนยังไม่ไปทำงาน เพราะต้องเคลียร์งานกันในห้องเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็จะไปยังสถานที่ทำงานจึงเดินออกมาปิดล็อกห้องอย่างดีแต่ห้องของพี่ผู้ชายกลับเปิดอ้าไว้ทั้งที่พวกเขาออกไปทำงานกันหมดแล้วฉันกําลังจะปิดประตูให้แต่พี่ผู้ชายเดินออกมาจากลิฟต์พอดีฉันจึงตำหนิเขา ว, ว่าเปิดประตูทิ้งไว้ทาไม เพราะมีของมีค่ายอยู่เยอะมากพวกเขาก็ยืนยันว่าปิดล็อกเรียบร้อยแล้วพี่ผู้ชายคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าน้องมาเปิดนะสิเมื่อวานเขาก็เห็นว่าน้องเปิดประตูรอพวกเขากลับมาเท่านั้นแหละทุกคนก็รีบชวนกันลงมาข้างล่างทันทีสวันผ่านไปอย่างร้อนๆ้อนหนาวหนาวในที่สุด เราก็ได้กลับกรุงเทพกันสักทีก็รู้สึกดีใจมากเพราะรู้สึกกลัวไม่อยากเจอแม้จะรู้สึกบ้างแต่ก็ยังดีที่ไม่เจอแบบจะจก่อนจะกลับเราก็ถามแม่บ้านที่โรงแรมจึงได้ความว่าเคยมีนักท่องเที่ยวที่เป็นเด็กเสียชีวิตที่นี่และเขาก็ไม่ไปไหนยังคงวนเวียนชวนให้แขกที่มาพัก เป็นเล่นกับเขาอยู่แบบนี้มานานแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าคุณผู้ฟังชอบฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าผีหลอนกันด้วยนะครับ